สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิฟเฟียซูตอนที่สามร้อยห้าสิบสี่เรื่องไมเซ็ตหรือกระบวนการคิดกรอบความคิดเพี่นอนครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบข้อที่สามสิบแปดจนถึงข้อที่สี่สิบสองลูกาบทที่สิบข้อที่สามสิบแปดจนถึงข้อที่สี่สิบสองโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไปพระองค์จึงทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาธาต้อนรับพระองค์ไว้ในเรือนของเธอมาธามีน้องสาวชื่อมารีแต่มารีก็นั่งใกล้พระบาทพระเยซูฟังถ้อยคําของพระองค์ด้วยแต่มาทายุ่งในการปฏิบัติมากจึงมาทูลพระองค์ว่าพรองค์เจ้าข้ารองค์ไม่ฉนพระทัยหรือ ซึ่งน้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ทำการปฏิบัติแต่คนเดียวขอพระองค์สั่งให้เขามาช่วยข้าพระองค์แต่ข้าแต่องค์พระบุญเจ้าตรัสกับตอบเธอว่ามาทามาทาเอย๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนักสิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้พี่น้องครับ mindset หรือกรอบความคิดหรือกระบวนทางการความคิดนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ i n d ซ็ t หรือกระบวนการหรือกรอบความคิดนั้นมีความหมายลึกซึ้งกว่าคำว่าความเชื่อหรือ belief เพราะว่า i n เซ็ t นั้นเป็นกรอบความคิดหรือความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม i n d ซ e t หรือกรอบความคิดกระบวนการทางความคิด เป็นความเชื่อที่ฝังอยู่ในวิญญาณของมนุษย์และไม่ค่อยได้แสดงออกชัดเจนเหมือนความเชื่อภายนอกไมเ s e t นั้นเป็นศูนย์กลางการประมวลความคิดทั้งหมดที่ไหลเข้ามาจากปัจจัยภายนอกรอบตัวเราและมันจะส่งผลไปตามกลไกคในชีวิตของเราเหมือนกับโรงงานที่รับวัตถุดิบเข้าไปครับและให้ผลผลิตต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับไมเคิ ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่อยู่ในกระบวนการการผลิตนั้นพี่น้องครับ mindset นั่นก็คือความเชื่อหรือความคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของเราประสบการณ์ต่างๆที่เราได้รับจะส่งผลต่อกรอบความคิดของเราและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนามุมมองต่างๆของตัวเราซึ่งเราเรียกว่า perspective perspective นั่นก็คือมุมมองนะครับหรือผลลัพธ์ จากการที่เราอินพุตบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในไมเซตของเราพี่น้องครับไมเซินั้นจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาชีวิตทั้งฝ่ายจิตวิญญาณและศักยภาพของเราทุกๆคนในทุกเพศทุกวัยเพราะไมเซินั้นเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตในทุกๆแง่มุมครับไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นสันธนาการกีฬาและความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นรวมทั้งมเซต ของคริสเตียนในคริสจักรนั้นก็สามารถที่จะพัฒนาคริสจักรให้เติบโตไปได้พี่น้องครับที่นี่นะเราได้รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีหลายหละคนฟังเทสนาได้อ่านมาเป็นหลายสิบครั้งนะครับเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างส่วนบุคคลของคนสองคนก็คือ perspective ของมาธาและมารีนั้นแตกต่างกันครับ เขาแตกต่างเพราะเนื่องจากว่ามายเซตของเขานั้นไม่เหมือนกันแม้ว่าจะมาจากครอบครัวเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องกันพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองนะครับทำให้เราเห็นถึงว่ามายเซตนั้นมีความสำคัญมากมายเซตนั้นส่งผลต่อเพอร์สเปคทิฟของมาธาและมารีไม่เหมือนกันครับเราเห็นนะครับมารีนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นที่สำคัญที่พระเยซูได้ชมเชยเขาก็คือว่า มารีนั้นได้เลือกส่วนที่ดีที่สุดไปแล้วครับมารีนั้นได้ฉวยโอกาสรับคำแนะนำจากพระเยซูและฟังคำสอนคาสั่งของพระเยซูในขณะที่มาธานั้นไมช์เซตของเขาก็คือเขากำลังเตรียมอาหารให้พระเยซูเขาถือว่าการเตรียมอาหารบริการนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าการฟังคำสั่งและอยู่ใกล้ชิดสาวกของพระองค์นั้นมักจะติดตามพระเยซูใช่ไหมครับ ฉะนั้นการเตรียมอาหารนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสาวกของพระเยซูอย่างน้อยนะครับมี12คนบวกพระเยซูด้วยเป็นหนึ่งคนนะครับเป็น13คนอีกหนึ่งคนเป็น13คนแล้วก็บวกทั้งมาธามารีและอาจจะรวมถึงลาสลัสด้วยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมี 15-16 คนที่มารีจะต้องเตรียมอาหารมาธาจะต้องเตรียมอาหารนะครับมารีนั้นใชยโอกาสครับ ขณะที่มาทากําลังเตรียมอาหารอยู่มารีนั้นได้ไปฟังพระเยซูพี่น้องครับพระเยซูเดินทางมาจากเยรูซาเล็มนะครับมาเยี่ยมเยียนมาทามารีลาชลัส ท, ที่หมู่บ้านเบธเทนีซึ่งไม่ไกลพระเยซูกําลังเปิดโ อ, อ ก, กาสนะครับให้แต่ละคนใช้ไม้เส็ดของแต่ละคนเพื่อที่จะปรับไม้เส็ดของพี่น้องสองสาวนี้ให้เป็นเรื่องเดียวกัน ไม้เช็ดที่พระเยซูต้องการนั้นเป็นไม้เช็ดที่จะต้องเป็นแบบมารีครับพี่น้องครับเมื่อมาทานั้นคิดว่าการเตรียมอาหารนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่านะครับมาทาก็เลยเกิดอาการครับอาการแรกก็คือยุ่งนะครับยุ่งกับงานจัดเตรียมจนไม่มีเวลาไปฟังพร ะ, พระเยซู อันที่สองก็คือว่าเมื่อมาทายุ่งและไม่มีคนช่วยเหลือมารีก็ไม่ได้เข้ามาตระเตรียมไม่ได้เข้ามาช่วยมาทาก็เลยบน่นบ่นต่อว่าพระเยซูนะครับบ่นต่อว่าพระเยซูในเชิงที่ว่าทำไมพระเยซูไม่สนพระไทยเขาในข้อสี่สิบครับพระองค์เจ้าข้าพระองค์ไม่สนพระไทยหรือซึ่งน้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ทาการปฏิบัติแต่คนเดียว อันนี้เป็นการบ่นต่อว่านะครับอันเนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยในการรับใช้รับใช้แบบไม่ฟังพระเยซูครับเหน็ดเหนื่อยบ่นแล้วก็มีความรู้สึกเริ่มอิจฉาครับเริ่มเปรียบเทียบก็นําไปถึงความกระวนกระวายครับในข้อสีสิบเอ็ดข้อสี่สิบสองนะครับเพีเยซูได้ตรัสกับมาทาว่ามาทาเอย๋ยมาทาเอย๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจในหลายสิ่งคำว่ากระวนกระวายและร้อนใจนั้นมีความหมายก็คือว่ามีชีวิตที่ไม่มีความสุขครับไม่มีความสุขกับการรับใช้ไม่มีสันติสุขไม่มีความชื่นชมยินดีชีวิตของเขาชีวิตของเธอนั้นเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยบนและอิจฉาเปรียบเทียบตลอดจนมีความรู้สึกว่า พระเจ้าไม่เห็นเข้ามาช่วยพระเจ้าทําไมไม่บอกเขาพระเจ้าทําไมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตลอดเวลาพี่น้องครับตรงนี้ครับทําให้เราเห็นครับว่าไม้เซตนั้นสําคัญครับเพราะว่าไม้เซตนั้นทําให้เรามีทัศนคติที่ดีครับไม้เซตนั้นทําให้เราหวนกลับไปดูแรงจูงใจของเรานะครับคนที่มีไม้เซตเปิดครับเป็นคนที่เขาจะรับการพัฒนาได้ เสียดายนะครับที่หลายหลายครั้งเราเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่มีไมช์เซทที่เปิดครับเพราะฉะนั้นชีวิตของคริสเตียนหลายหลยคนก็ไม่ได้รับการพัฒนาพี่น้องครับเราทุกคนที่จะเราสามารถที่จะใช้ไมายเซทได้ในการบรรลุความสำเร็จตามที่ต้องการได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะครับไม่จาเป็นที่จะต้องมี ความสา ม, มารถศักยภาพที่ถ่ายทอดมาทางพันธุ ก, กรรมสิ่งที่สาคัญก็คือว่าหากว่าเราสามารถเปลี่ยนกรอบความคิดในช่วงไหนของชีวิตก็คือเวลาที่เราจะประสบความสำเร็จแหละครับและเมื่อเราประสบความสาเร็จเราก็จะได้รับความพึงพอใจความชื่นชมยินดีเพียงครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึง การเก็บเกี่ยวผลิตผลของพระเจ้านํามาซึ่งความชื่นชมยินดีครับเช่นเดียวกันครับเมื่อเวลาเราได้เลือกสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนก็คือมารีได้ฟังพระเยซูอยู่ใกล้คิดพระเยซูมีความสัมพันธ์กับพระเยซูรู้ว่าพระเยซูคิดอย่างไรเมื่อเขารู้ว่าพระเยซูคิดอย่างไรเขาก็สามารถทําตามให้พระองค์โปรดปรานได้นี่คือสิ่งที่ต้องการ ซึ่งมีแต่สิ่งเดียวและมารียได้เลือกเอาส่วนดีนั้นและไม่มีใครชิงเอาไปจากเธอได้ครับเพราะว่าเธอรู้ใจพระเยซูพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้คําถามเกิดขึ้นกับพี่น้องทุกคนว่าณเวลานี้เรารู้ใจพระเยซูหรือเปล่าครับแต่การรู้ใจพระเยซูเกิดจากการที่เราต้องมีไมค์เซ็ตต้องมีกรอบความคิดที่จะส่งผลต่อ เพอร์สเปกติของเราก็คือต้องใกล้ชิดพระเยซูครับเราต้องพัฒนามุมมอง ต, งต่างๆของชีวิตของเราให้ถูกต้องครับเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตฝ่ายจิตอินทรีย์ของเราได้จะทําในสิ่งที่พระ อ, องค์ต้องการได้จะมีชีวิตอยู่ในศูนย์กลางแห่งน้ำพระทัยของพระ อ, องค์ได้และจะมีชีวิตที่มีความชื่นชมิน ด, ดีมีสันติสุขเพราะว่าเราได้ใกล้ชิดกับองค์พระเยซู และฟังสิ่งที่พระองค์ปรารถนาจะให้เราฟังเราจะได้ยินเสียงของพระเยซูและสัมผัสถึงความรักของพระองค์ อ, งอย่างแท้จริงอาเมน